อัญชลาดอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ยังเป็นอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพื่อที่จะได้รู้ว่า การมาเกิดของสัตว์โลกนั้นมีเหตุอันใดพาให้สัตว์โลกมาเกิดกันและเมื่อได้มาเกิดแล้วควรที่จะทำอะไรกับชีวิตของตนให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษเกิดความ ทุกต่างเหตุที่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายนี้มาเกิดกันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดจากความอยากความอยากที่จะหาความสุขจากโลกกระมทั้งสี่คือลาบยศสารเสริญสุข ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ากามสุขนี่คือความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามประการนี้เป็นเหตุที่พาให้จิตใจของสัตว์โลกนี้กลับมา เกิดเป็นมนุษย์กันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายของมนุษย์ <c oughs> เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภพชนิดต่างๆ <c oughs> แต่การหาความสุขจากโลกธรรมนี้ <c oughs> จะไม่สามารถทำให้จิตใจเกิดความอิ่มเกิดความพอได้แต่กลับจะทำให้เกิดความอยากมีเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆต่อให้ได้ลาบยศสรรเสริญสุขมามากน้อยเพียงไรก็ตามจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก<ม>เห็นผู้ที่มีความสูงส่งมียศถาบรรดาศักดิ์ ต่างๆได้รับรางวัลต่าง ๆ, างๆการสารรเสริญยกย่องเยินยอด้วยเกียรติบาตรเกียรติคุณต่างๆและการได้เสกรูปเสียงกิริลดโพ ธ, ธ ภ, ธภพชนิดต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทําให้ความอยากนั้นหมดไปแทนที่จะทําให้ความอยากนั้นหมดไป กลับทำให้ความอยากมีกาลังเพิ่มมากขึ้นไปอยากได้มากขึ้นไ ป, ไ ด, นไป <S 1> <S 1> ดังที่มีภาสิทธสุภาษิทธท่านพูดไว้ว่าได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอกก็อยากจะได้วาอยากได้ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพัน เป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลเป็นนายพลก็อยากจะไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือธรรมชาติของความอยากที่จะไม่มีวันลดน้อยถอยลงไปถ้าให้ได้ไปอยากกับโกกรคกระทำทั้งสี่พอโกกรคกระทำทั้งสี่นี้ ไม่สามารถที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอได้เมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้หาอะไรมาได้ต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ตามไปจนถึงวันตายความอยากที่อยากจะได้ลาบยศสารเสริอสุขก็ยังจะไม่มีวันหมดไปเมื่อร่างกายนี้ตายไป ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีกรรมมามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากทั้งสามประการนี้ก็จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้ใจ <c oughs> ไปมีร่างกายอันใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาเสพรูปเสียงกิน่นรสมาหาความสุขจากราบยศสารเสริญต่อไปมันก็จะเป็นไปเป็นวัฏจักรเป็นเป็นการหมุนเวียนไปเกิดแก่เจ็บตายมาเกิด แล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายระหว่างที่ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไปหาราบยศสารเสรสุขมาเสพกันแล้วพอตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ในระหว่างที่รอได้รอรับร่างกายอันใหม่ใจที่เป็นดวงวิญญาณใจที่เป็นกายทิพนี้ ก็จะอยู่ในสภาพสุขหรือทุกข์หรือที่เราเรียกว่าสวรรค์หรือนรกหรืออบายอยู่ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่แสวงหาราบยศเสรเสริสุดบางทีถ้าไม่สามารถ หาลาภยศสารเสริญสุขได้โดยวิธีที่สุดจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ทำบาปก็จำเป็นที่จะต้องหาด้วยวิธีการทำบาปต่างๆด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการประพฤติผิดประเพณี บาปที่ได้ทำไว้นี้จะเป็นผู้ที่จะสักดันให้ดวงวิญญาณที่แยกออกจากร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วให้อยู่ในในโลกทิพย์ที่มีสุขนรืทุกข์เนี่ยโลกทิพย์นี้มีแบ่งไว้สองเสี้นกันคือสุขกติกับทุกขกติ ทุกขติก็ได้แก่อบายสี่ mm hmm. คือเดรัจฉาน mm hmm. เปรตอสศุลกายและนรก mm hmm. ถ้ามีบาปมากกว่ามีบุญในขนาดที่ตายจากร่างกายไป mm hmm. บาปก็จะเป็นผู้ที่จะผลักให้ดวงวิญญาณนั้นไปอยู่ mm hmm. เป็นเปรตเป็นอสศุลกาย mm hmm. หรือเป็นนรกเป็นสัตว์ น, นรกถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน<ม>จะยังไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ถ้าบาปยังมีอิทธิพลครอบงําดวงวิญญาณอยู่<ม>ส่วนผู้ที่ได้ทําบุญไว้มากกว่าทําบาปเวลาที่ร่างกายตายไปบุญนี้ก็จะเป็นทุกขผลักดันให้ ดวงวิญญาณได้ไปอยู่ในซีกของสุคติโดยออยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆในระหว่างในระหว่างที่รอให้ผลบุญและผลบาปนั้นทําหน้าที่ไปจนกว่าผลบุญและผลบาปนี้ไม่สามารถที่จะดึงหรือส่งให้ดวงวิญญาณไปสวรรค์หรือไปอบายได้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ดวงวิญญาณ จะไปรอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ไปทําตามความอยากต่อไปเพราะความอยากนี้ยังไม่ได้หมดจากการตายของร่างกายไม่ได้หมดจากการที่บุญหรือบาปได้หมดกำลังลงแล้วความอยากนี้มันจะไม่ได้หมดจากการทำบุญหรือทำบา การไปรับผลบุญเมื่อไปรับผลบาปความอยากก็ยังมีอยู่ในใจความอยากที่จะรอให้มีโอกาสได้มีร่างกายพอได้มีร่างกายพอเกิดมาแล้วพอได้ร่างกายก็จะใช้ร่างกายนี้ไปหา <c oughs> ความสุขจากโลกธรรมคือหาลาภยศจลาเสริญหา รูปเสียงกลิน่นรสโผฏภะมาเสษกันนี่คือเหตุที่พาให้สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดช่วงนี้พวกเราได้มาอยู่ในช่วงของการได้มาเป็นมนุษย์บางบางบางท่านก็อาจลงมาจากสวรรค์ บางท่านก็อาจจะขึ้นมาจากอบายเราจึงมีคนที่มีลักษณะแตกต่างกันไปคนที่มาจากสวรรค์จะเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาใจบุญสุนทานจะชอบทำบุญทาทานจะชอบรักษาศีล จะชอบภาวนากันส่วนพวกที่มาจา ก, กบายนีก็จะเป็นคนที่โหดร้ายทารุณคนที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบรังแกผู้อื่นชอบสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าทาการอะไรก็ทำเพื่อประโยชน์ของตน ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้นี่คือลักษณะของใจของผู้ที่หลังจากที่มาออกกลับมาจากบายจะเป็นอย่างนี้จะเป็นใจที่ร้ายความเมตตากราุณาหอร้ายทารุณเห็นแก่ตัวส่วนผู้ที่มาจากสวรรค์มาจากสุคติ ก็จะเป็นใจที่มีความเมตตากรุณามีความยินดีกับการทำบุญทำทานกับการรักษาศีลกับการภาวนา<ม>นี่คือทำไมคนเราในโลกนี้จึงมีลักษณะที่ต่างกัน<ม>บางคนก็เป็นคนดีบางคนก็เป็นคนไม่ดี ท, ทั้งทั้งที่ มาจากพ่อแม่คนเดียวกันก็ตามร่างกายอาจจะหน้าตาเหมือนกันเพราะว่าแม่พิมพ์ที่พิมพ์ร่างกายนี้เป็นแม่พิมพ์มันเดียวกันคือพ่อแม่คนเดียวกันร่างกายนี้หน้าตาเหมือนกันแต่จิตใจนี้อาจจะไม่เหมือนกันกนอยู่กับดวงวิญญาณที่มาครอบครองร่างกายนี้ว่ามาจากที่ไหน <Yeah. S 2> ดวงวิญญาณนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ไม่ได้เอาคุณงามความดีหรือเอาความชั่วร้อยทารุณของพ่อแม่มา <Yeah. S 2> แต่มาจากกรรมนั่นเอง <Yeah. S 2> ที่เราสวดกันทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของของตน <Yeah. S 2> จะทํากรรมมันใดไว้ <Yeah. S 2> ดีหรือเชื่อจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น yeah. ทำกรรมชั่วเราก็จะมีจิตใจที่ชั่วร้ายทำกรรมดีเราก็จะมีจิตใจที่ดีแล้วพอเรามาได้ร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นร่างกายของพ่อแม่คนเดียวกันเป็นพี่น้องกันแต่ใจนี้ไม่เหมือนกันใจของคนคนหนึ่งไปทางหนึ่ง เช่นคนที่เคยชอบเดินชุรายาเมาชอบเล่นการพนันชอบเสพอ บ, บา ย, ยมุขนีเ่เวลามาได้เกิดในร่างกายของครอบครัวเดียวกันนี่แต่นิสัยจะไม่เหมือนกันก็จะชอบไปเดินชุรายาเมาชอบไปเล่นการพนันชอบทำบาปทํากรรมส่วนร่างกายคนหนึ่งที่ มีดวงวิญญาณที่ดีมาเกิดก็จะไปอีกทางนึงชอบไปทาบุญทาทานชอบไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมชอบทำบุญทมกุศลอะไรต่างๆนี่แหละที่ที่ความแตกต่างของคนเราแม้จะเป็นพี่น้องกันแม้จะมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแม้จะเป็นฝาแฝดก็ต่างมีหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเลย แต่จิตใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่คนเดียวกันจิตใจมาจากกรรมคือการกระทำที่เคยทำมาในอดีตจนกลายเป็นนิสัยไปกลายเป็นสันดานไปพว mm hmm. กที่ชอบทําบาปก็มักจะติดนิดสัยของการทําบาปไปพวกที่ชอบทําบุญก็จะติดนิดสัยของการทําบุญไป mm hmm. แล้วเวลาที่มาเกิดในโลกนี้ ก็จะเอานิสัยเดิมติดที่ที่มีอยู่กับใจมาเป็นตัวนำไปสู่การกระทำต่างๆ<ม>นิสัยดีก็ทำแต่สิ่งที่ดีนิสัยที่ไม่ดีก็ทำแต่สิ่งที่ไม่ดี<ม>นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าทำไมคนเราในโลกนี้จึงมีความแตกต่างกัน แต่การมีความแตกต่างในนิสัยนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะอบรมได้ที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือถ้าใจมีใจที่มีนิสัยไม่ดีก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการอบรมจากผู้ที่มีนิสัยดี <Yeah. S 1> เช่นเดียวกับใจที่มีนิสัยดี ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นใจที่มีนิสัยไม่ดีก็ได้ถ้าไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ที่มีนิสัยไม่ดี <c oughs> ผู้ที่มีนิสัยไม่ดีก็อาจจะ <c oughs> อบรมสั่งสอนให้ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ได้ให้ <c oughs> นิสัยของคนเราจึงเปลี่ยนได้ <c oughs> เปลี่ยนจากไม่ดีมาเป็นดีได้ <c oughs> เปลี่ยนจากดีให้เป็นไม่ดีได้ อันนี้ก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่บุคคลที่จิตใจของแต่ละท่านไปเกี่ยวข้องด้วยและก็อยู่ที่สามัญสำนึกของแต่ละจิตใจด้วยกันว่ามีสามัญสำนึกมากน้อยเพียงไรคือมีสัมมาทิฐิมากน้อยเพียงไรสา ม, มารถแยกแยะความผิดถูกดีเชื่อได้มากน้อยเพียงไร ผู้ที่มีสัมมาทิฐิมากนี้จะเป็นผู้ที่ยากต่อการที่จะให้ผู้อื่นนี้มาดึงไปในทิศทางที่ไม่ดีได้ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีมิจฉาทิฐิมากก็จะเป็นผู้ที่จะถูกลากจูงให้ไปในทิศทางที่ไม่ดีได้ง่ายนี่คือเรื่องของดวงวิญญาณหรือจิตใจ ที่มาเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆเร<ม>าสร้างบุญสร้างบาปในภพชาติของมนุษย์แล้วหลังจากที่ร่างกายของมนุษย์ตายไปดวงวิญญาณนี้ก็ไปรับผลบุญผลบาปในขณะที่ได้ทําไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์<ม>ถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสู่สุคติ ถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็ไปสู่ทุกขติพอบุญกับบาปลดลงมามีกําลังพอๆกันบุญไม่สามารถดึงไว้ให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปไม่สามารถดึงให้อยู่ในอบายได้ใจก็จะมาอยู่ในสภาพของความเป็นมนุษย์ใจก็จะเป็นมนุษย์ แล้วก็มารอรับร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำตามความอยากใหม่ <Yeah. S 2> นี่ก็จะเป็นเรื่องที่ทำกันมาอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอัานยาวนาน <Yeah. S 2> ใจของพวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดในลักษณะนี้มานับไม่ถ้วนจำนวน <Yeah. S 2> จำนวนของภกชาติที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็นับไม่ถ้วน yeah. จะประมาณได้ก็จากน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เวลาเรามาเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์นี้เราก็ต้องเจอความเศร้าโศกเสียใจความเจอกับความทุกข์ชนิดต่างๆที่ทาให้เราต้องหลั่งน้าตากันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเราน้ำตาที่พวกเราได้หลั่งกันไว้ในแต่ละครั้งที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้มารวบรวมกันแล้วเนี่ย น้ำตาที่เราได้เคยหลั่งมาแล้วนี่มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรดนี่แหละคือปริมาณของความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจที่ใจของพวกเราทุกคนได้ประสบกันมาได้สัมผัสกันมาแล้วก็จะสัมผัสต่อไปอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับ พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์คือต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาบางท่านก็อาจโชคดีได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเ mm hmm. ช่นคนที่อยู่ในยุคที่พทธเจ้าทรงตัดสัตว mm hmm. ก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าก็จะได้เรียนรู้ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ พระพระุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ได้ทรงพบวิธีพบสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากความอยากทั้งสามประการคือการมตัหาภาวตัหาและวิภาวะตันหาและถ้าอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด<ม>ก็ต้องใช้มักก็คือการการ ละการกระทำบาปการสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิอ์อันนี้ก็เป็นมรรคเป็นวิธีการที่จะที่จะทาลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปผู้ใดที่สามารถปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนได้ก็สามารถยุติ การเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นบารุเป็นพระอนันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้และหลังจากที่ได้เป็นพระอนันตสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ช่วยพระพุทธเจ้าเอาธรรมะอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจตามลำดับต่อไปยังมีการ สืบทอดพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในโลกนี้ได้แค่แปดสิบปี mm hmm. ได้ทรงเผยแผ่ธรรมอยู่สี่สิบห้าปีด้วยกัน mm hmm. หลังจากนั้นพระสรลีละร่างกายของพระพุทธเจ้ากถถถ็ถึงที่สิ้นสุดลง mm hmm. พระพุทธเจ้าก็เลยไม่สามารถที่จะเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนให้กับสามโลกไปก็มีพระอานนตสาคกที่มารับทำหน้าที่ต่อไปและก็มีการจดจำมีการบันทึกพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในพระคำพีพระไตรปิฎกซึ่งจะเป็นแหล่งของความรู้ ที่สามารถที่จะให้ผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้สามารถไปศึกษาสามารถนำเอาไปปฏิบัติสามารถทำให้จิตใจของตนหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พุทธศาสนาของพวกเรานี้ ที่มายังมาอยู่กันได้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะพระรัตนตรัยนี้ยังมีอยู่นั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ตา ม, มแต่ก็ถือว่าพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่กับเราเ<ม>พราะพระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าก่<ม>อนที่พระองค์จะจากไปพระองค์ทรงตัดว่าพวกเรานี้พวกเธอทั้งหลายนี้จะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา เพราะว่าธรรมวินัยที่ที่พระตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปก็ mm hmm. หมายความว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคาสอนที่ไม mm hmm. บ่บันทึกไว้ในพระไตปรปิฎกนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน mm hmm. เป็นทั้งพระพุทธเจ้า mm hmm. เป็นทั้งพระธรรมคาสอน mm hmm. ที่ผู้ที่ต้องการที่จะศึกษา เพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการยืนไหว้ตายเกิดสามารถนํำมาไปศึกษาและปฏิบัติจนหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้และนอกจากมีพระพุทธเจ้าและพระธรรมในพระตายเปโดกแล้วก็ยังมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าคือพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายยังมีอยู่ในาศาสนานี้ เพียงแต่ว่าอาจจะมีน้อยแต่ก็สําหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาก็จะยังสามารถเข้าถึงได้อยู่ก็อาศัยพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนคือเป็นพระอริยสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์นี้ท่านก็สามารถที่จะเป็นผู้นําทาง พาเราให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่นี้คือการที่เราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจะต้องพบกับพระรัตนตรัยองค์ใดองค์หนึ่งถ้าไม่ได้พบจากการศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนในพระไตรปิฎก หรือในหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกก็ไปพบกับพระที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนทั้งหลายท่านเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่จะบอกบอกเหตุว่าเรามาเกิดได้อย่างไรนะเราควรจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราหลังจากที่เราได้มาเกิดในโลกของมนุษย์นี้แล้ว แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็คือเราก็ควรที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยบุคคลทั้งหลายไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกันนี่แหละคือ ว่าเราควรจะทำอะไรหลังจากที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาไม่เจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระอริยสงสาวกเราจะไม่มีคาบอกเราว่าเรามาเกิดได้อย่างไร mm. ะเราจะไปไหนต่ออย่างไรจะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอก เราก็จะถูกกำนาของความหลงที่เป็นตัวผลักดันให้ใจของเหล่านี้มาเวียนว่ายตายเกิดให้เราไปหาสิ่งที่ความหลงต้องการให้เราไปหากันก็คือไปหาโลกธรรม ท, ทั้งสีน่นี่ไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาพาชนิดต่างๆแบบเมามันแบบแบบคิดว่านี่แหละคือ เป้าหมายของชีวิตเกิดมาแล้วนี่ต้องมีความสุขและการจะมีความสุขได้ก็ต้องมีลาบยศสารเสริมมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัแต่ไม่มองอย่างรอบครอบว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้มันเป็นบดาสองคมด้วยกันมันมันมีทั้งคุณและมันมีทั้งโทษ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีจมีการเจริญและมีการเสริมนั่นเองเวลามันเจริญมันก็ให้คุณกับผู้ที่ไปไปเจ็บไปสัมผัสเวลาได้ราบยศสารสสุขมานี่ก็มีแต่ความดีอกดีใจมีความสุขแต่มันมีอีกด้านหนึ่งที่ผู้ที่ไม่มีความรอบคอบฉลาจะไม่ไม่มองหรือมองไม่เห็นกัน ก็คือว่ามันมีส่วนที่เป็นโทษก็คือมันมีความเสื่อมตามมาเป็นธรรมดาเ<ค><ณ>จริญราบแล้วก็ต้องมีการเสื่อมราบเจริญยศแล้วก็ต้องมีการเสื่อมยศเจริญสนรเสริญก็ต้องมีการเสื่อมสนรเสริญกลายเป็นมินทาไปเจริญสุขก็จะมีการเสื่อมกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปผู้ท<ค>ี<ณ>่ เข้าหาลาบยศสารเสริญสุขนี้ก็จะไม่ได้แต่ความสุขอย่างเดียว <mm> จะได้ความทุกข์พ่วงมาด้วยทุกครั้งไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดลง <mm> แล้วมันก็จะทำให้ผู้ที่ผู้ที่ได้ความสุขจากสิ่งที่มันเสื่อมหรือสิ้นสุดลงนี้สูญเสียความสุขนั้นไป แล้วก็จะได้ความทุกข์กลับมาแทนที่นี่คือการมาเกิดแล้วแทนที่จะมาหาความสุขมีแต่ความสุขอย่างเดียวกลับไปเจอความทุกข์ด้วยเพราะสิ่งที่ไปไปหลงเสพหลงคิดว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขนี้มันเป็นของชั่วคราว มันเป็นของที่มีการเจริญและมีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดาเวลามันเจริญก็ได้ความสุขเวลามันเสื่อมก็จะได้ความทุกข์แล้วนอกจากโลกกระททั้งสี่ที่เป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับใจแล้วเครื่องมือที่ใจใช้ในการหาราภยศเสริญสุขก็คือร่างกายนี้ก็เป็นอย่างเดียวกัน ร่างกายที่มีตาหูจมูกมิ้นกายนี้ก็มีการเจริญและมีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาร่างกายเจริญใจก็มีความสุขเพราะสามารถใช้ร่างกายนี้ไปหาลาบยศรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลภาพต่างๆมาเสกได้อยู่เรื่อยๆแต่พอเวลาที่ร่างกายมีอุปสรรคขึ้นมาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา พิกรพิการลงไปหูหนวกตาบอดหรืออะไรต่างๆพิการในรูปแบบต่างๆเวลานั้นความสามารถของร่างกายที่จะไปหาความสุขยากราบยศสารสนสุขก็จะลดน้อยถอยเรื่อหมดไปเวลานั้นก็จะนำมาสู่ความซึมเศร้าความเศร้าซ้อยหงอยเหงาความผิดหวัง มีแต่ความทุกข์ครอบงำจิตใจยอยู่เรื่อยๆจนอาจจะทำให้คิดสั้นต่อไปก็ได้ไม่คิดว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่แล้วก็ไม่สามารถหาความสุขจากอะไรได้ก็จะมักจะฆ่าตัวตายกันนี่แหละผลที่จะตามมาจากการที่ไปเสพลาบยศสารสริญสุขเพราะว่าไม่ได้มองอย่างรอบคอบว่า ลาบยศสารสินสุขนี้มันเป็นของไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียและเครื่องมือที่ใช้ในการหาราบยศสารเสรินสุขก็คือร่างกายนี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันมีเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามลาดับต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บหรือจะตายนี้ ก็จะไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขให้กับใจได้ mm hmm. ใจก็จะเครียดใจก็จะเหงาใจก็จะซึมเศร้าหงุดหงิดลำคาญใจเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไป mm hmm. นี่คือโทษของการที่ไปหลงกับการหาความสุขจากลาภยศ เ, เสริญ mm hmm. นอกจากจะเจอกับความทุกข์ในใบพบนี้แล้ว ความอยากที่จะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรอนี้มันก็ไม่ได้หมดไปกับการที่ได้เสพได้สัมผัสลาบยศสารเสริญสุขมันก็ยังมีอยู่ในใจและมีเพิ่มมากขึ้นไปด้วยและมันเป็นตัวที่จะพาให้ใจนี้ไปกลับมาเกิดใหม่อีกหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไปอยู่เป็นดวงวิญญาณแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปขณะที่เป็นดวงวิญญาณ จนกาจะหมดผลบุญผลบาปแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่เพราะยังมีความอยากเป็นผู้ผลักดันให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาตอบสนองตันหาความอยากต่อไปอันนี้คือลักษณะของคนที่มาเกิดในในโลกที่ไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาถึงแม้อาจจะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ก็ตาม แต่ในสายตาของเขาเขาอาจจะมองเห็นว่าศาสนานี้เป็นของไร้คุณค่าไร้ประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่สอนให้เขาหากับสอนให้เขาสละทิ้งไปคือลาบยศสรรเสริญสุขเพราะศาสนาเห็นว่าการหาลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์ยังไม่สอนให้ไปหาลาบยศสารเสริญสุข พวกที่เขาคิดว่าความสุขของเขาอยู่ที่ราบยศสารสนุขเขาก็จะไม่สนใจที่จะมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธศาสนาถึงแม้จะได้มาเกิดในยุคที่มีคำสอนอยู่ก็าตามแต่เขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ <Yeah. S 1> พวกนี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าเป็นเหมือนพวกบัวใต้น้ำบัวที่อยู่กับคนตม้ม <Yeah. S 1> พวกนี้จะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้าได้ yeah. ถึงแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดบลดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ก็ไม่สนใจเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับไก่ได้พลอยไก่ได้ปลอยนี้ไก่เวลาเขาหาอาหารเขาจะคุ้ยเขียไปตามดิน หาตัวหนอนตัวไส้เดือนเป็นอาหารเวลาไปคุ้ยเขี่ยเจอเพชรเจอพลอยเขา้าเขาก็เขี่ยทิ้งไปเพราะเขาเกเพชรพลอยเขากินไม่ได้แต่เขาเพราะเขาไม่รู้คุณค่าของเพชรพลอยว่าถ้าเขาเก็บเพชรพลอยนี้แล้วเอาไปแลกเขาจะได้ตัวหนอนตัวไส้เดือนกินตลอดชีวิตโดยที่เขาไม่ต้องไปไปคุ้ยเขีย่ยหากินอยู่ทุกเชา้าทุกเย็น <Yeah. S 1> เขาไม่มีความรู้ไม่เห็นคุณค่าของเพชรพลอย เขาก็เลยเขีย่ยทิ้งเขีย่ยทิ้งคนที่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนไก่ได้พลอยนี่เจอพระพุทธศาสนาก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งวิ่งเข้าหาแต่ลาบยศสรเสริญสุขเพียงอย่างเดียวแล้วก็พาชีวิตของเขาให้ไปสู่ความทุกข์ต่อไปเวลาที่ลาบยศสรเสริญสุขนั้นเสื่อมลงด้วยเวลาที่ร่างกายนั้นเสื่อมลงไปเขาก็จะต้องไปเจอกับความทุกข์ เจอกับความเศร้าอาจจะถึงกับความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายตามมาต่อไปแล้วหลังจากที่ตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปหมดบุญหมดบาปแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เจอพระพุทธศาสนาก็แทนที่จะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็กลับปฏิเสธไม่สนใจตรงนี้ก็เป็นพวกแบบ บัวที่อยู่คนกับตบเนี่ยไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้ไม่มีวันที่จะโผล่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวันที่จะสามารถยกระดับจิตใจของเต็นของตนให้ขึ้นสู่พระนิพพานได้ให้สู่การหลุดพ้นจากของทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยตรกนี้ก็จะต้องเวียนเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดลงจนกว่าวันดีคืนดี ถ้าเกิดเขาได้พบกับคนที่มีเป็นกัลยาณมิตแล้วเป็นคนที่เห็นคุณค่าประโยชน์ของพระพุทธศาสนาแล้วได้แนะนําให้เขาได้มาสนใจให้มาศึกษาให้มาลองปฏิบัติดูอย่างนี้เขาก็อาจจะ เ, ออะเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นบัวที่อยู่ตามโคนตมนเป็นบัวกลางน้ําเป็นบัวปลิ่มน้ํา แล้เป็นบัวเหนือน้ำขึ้นมาได้ตามลำดับต่อไปังั้นการที่คบกับการครบกับคนดีนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นมงคลของชีวิตในมงคลละสูตรสามสิบปดข้อนี้สรงสอนสองข้อแรกเลยคือการครบบัณฑิตคบคนฉลาดอย่าไปคบคนพาลคือคบ ค, บคนโง่คนมืดบอดคนที่ไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด การคนที่ไม่รู้เรื่องของการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่าไปคบกับคนเหล่านี้เพราะเขาจะดึงให้เราติดอยู่กับกองกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เราเข้ า, ขาหาบัณฑิตบัณฑิตที่จะสอนให้เราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือผู้ที่ มีผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั่นเองคือเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุภิกษุณีเป็นต้นบุคคลเหล่านี้แหละเรียกว่าบัณฑิตในพระพุทธศาสนาบุคคลเหล่านี้รู้เหตุของการเวียนว่ายตายเกิดรู้เหตุของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นผู้ที่จะชักนําดึงไปให้สู่การหลุดพ้นจากกองทุกได้ ถ้าไปคบกับคนที่ไม่ไม่สนใจเรื่องศาสนาสนใจแต่เรื่องการหารากยศสารนสนุขก็จะถูกถูกเขาชักนาให้ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดลงนี่เกิเรื่องของการที่เรามาเกิดอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามาเกิดได้อย่างไรเรามาเกิดเพราะเรายังมีความอยากอยู่ ยังมีกามาตหาพาวะตันหาวิพาวะตันหาอยู่แต่เราโชคดีเราได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์<ม>องค์ใดองค์หนึ่ง<ม>ที่สอนบอกว่าการมาเกิดของพวกเรานี้เป็นการเป็นส่วนหนึ่งของของวงจรอุบาตคือวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของเราวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเป็นวงจรของความทุกข์ ที่เกิดจากตัณหาความอยากอยากจะหาความสุขจากลาบยศสารเสริญ ส, สุขนีเ้เกิดจากโมหะอาวิชชาความไม่รู้ความจริงว่าความสุขของลาบยศสารเสิญสุขนี้เป็นกับดักของความทุกข์เป็นกับดักของการเวียนว่ายตายเกิดนานๆนนจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มาตัดทะลูและมาเห็นว่า การหาความสุขจากลาบยศสารเสวนสุขนี้เป็นการไปหาความทุกข์เป็นการนําพาจิตใจให้ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดลงถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุดติการการเสภลาบยศสารเสวนสุขนี้ก็ต้องเข้าหาบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสารวงการนั้น ซึ่งตอนนี้พวกเราก็ถือว่าโชคดีที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธามีความเชื่อแล้วก็อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราก็เลยมาศึกษาวิธีการที่จะนำพาให้จิตใจของเราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ ศึกษาแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือขั้นต้นให้เรา ส, ระราสละลาภยศสารเสริญสุขไปอย่าไปห า, าลาภยศสารเสริญสุข ถ้ามีลาบยศสารเสริญสุขก็ให้สาะไปทำทานไปเช่นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธะเจริญในลาบยศสารเสริญสุขมีทรัพย์สมบัติเงินทองมีปราสาทสามฤดูมีมียศมีตำแหน่งเป็นถึงพระราชโอรสมีผู้ให้การสรรเสริญยกย่องเยือนยออยู่ตลอดเวลามีความสุขจากการได้เสพลูกเสียงกิริยลดพระ แต่พระองค์ทรงมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่แน่นอน<ม>ท่านทรงเห็นว่าบางทีมันก็อาจจะหมดได้อาจจะสิ้นสุดลงได้วันใดวันหนึ่งก็ได้<ม>แล้วท่านก็มองเห็นร่างกายของของพระองค์เองว่าร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมืม่อถึงเวลานั้นแล้วก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศเสรร ส, สุขได้ พร อ, องค์ก็เลยทรงสละไปหาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติจิตธรรมนาจาทําใจให้สงบดีกว่าหาความสุขภายในใจดีกว่าด้วยการทําใจให้สงบและการที่จะทําใจให้สงบด้านนี้ต้องไปอยู่แบบนักบวชต้องไปอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากอิทธิพลของราบยศสารเสริญสุข ก็อยู่ตามปา่าตามเขาตามสถานที่สงบวิเวกแล้วก็ไปบําเพ็ญชีวิตเป็นนักบวชไม่เบียดเบียนผู้ใดรักษาสิงแล้วก็บําเพ็ญจิตตภาวนา <S <S <S <S เพื่อทำให้จิตใจสงบทำจิตท่าทให้จิตใจมีความสุขเพราะจิตใจมีความสุขจากความสงบแล้ว ก็สอนใจให้พิจารณาให้เห็นว่าราบยศสารสุนุอก็ดีร่างกายก็ดี ม, มันเป็นของมไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีมีเจริญได้แล้วก็มีเสื่อมได้เวลามันเสื่อมก็จะทําให้จิตใจต้องทุกข์เพราะว่าใจยังมีความอยากอยากให้ร่างกายแข็งแรง อยากจะอยู่ไปนานๆนน เ, เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติทรงทาทานออสละทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองแล้วก็ไปบวชเป็นนักบวชแล้วก็ไปรักษาศีลไปรักษาศีลแล้วก็ไปเจริญจิตตภาวนา เบื้องต้นก็จเจริญส ม, มะถะภาวนาทําจิตใจให้สงบทําให้จิตใจมีความสุขในตัวเองอมเมื่อจิตใจมีความสุขในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะละการอยากมีความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขได้ละความอยากมีความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ละร่างกายได้เพราะเมื่อ ใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายใจก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้เมื่อใจไม่ต้องมีร่างกายหรือไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์แล้วก็ให้ละต่อไปละในสิ่งที่ยังยึดยังอาศัยอยู่คือ ให้ละการหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากสมาธิเพราะสมาธิเองนี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งมีไว้เพื่อเอามาใช้ละความสุขทางราบยศเสริญทางกรารมาสุขพอละกรารมาสุขได้แล้วเครื่องมือคือ ส, สมาธิก็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป <S <S ถ้าไปยึดไปติดกับเครื่องมือก็จะทาให้ไปติดยังติดอยู่ในพบอยู่พบของสมาธิก็คือพบของพรหม ของรูปภพของอรูปภพอยู่ถ้าอยากจะออกจากใจภพออกจากออกจากกา ร, รมมาภพไรแล้วก็มาติดอยู่ที่รูปภพอรูปภพเพราะไปติดความสุขของสมาธิก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสมาธิก็เป็นอย่างนั้นสมาธิก็เป็นเหมือนกา ร, รมมาสุขเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมได้เวลามันเสื่อมก็จะทําให้ใจ เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าไม่ต้องการเจอความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมของสมาธิก็ต้องไม่เสบสมาธิไม่ติดสมาธิเหมือนกับไม่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสผดเถะก็ต้องมาละขั้นสุดท้ายละเครื่องมือเครื่องมือที่จะที่จะใช้ในการละกามสุขละลาบยศฉลสรินุก พอละลาบยุดเสรรเสริญสุขได้แล้วสมาธิก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีก็ต้องก็ต้องยุดไม่ไปอยากได้ความสงบจากสมาธิแต่เปลี่ยนมาเอาความสงบที่เกิดจากการหยุดความอยากทั้งหลายหยุดความอยากในกามได้แล้วก็มาติดความอยากในสมาธิในรูปฌปานในอรูปฌปานก็ต้องมาหยุดความอยากอันนี้ไม่ไปอยาก เสพรูปประชานไม่อยากไปเสพเอารูปประชานพอหยุดความอยากได้หมดใจไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วใจก็ว่างเป็นนิพพานไปใจก็สงบเย็นสบายไปตลอดเพราะตัวที่ทําให้ใจไม่สงบไม่เย็นก็คือความอยากนี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาบยศเสริญสุขนี่แล้วก็ความอยากในสมาธิ ความอยากเหล่านี้ต้องกาจัดให้หมดแต่ต้องทำเป็นขั้นขั้นขั้นแรกนี้เรายังต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนเพราะสมาธินี้จะเป็นเครื่องมือที่เราจะได้เอามาใช้ในการที่เราจะเลิกความอยากในโลกกระทำได้การที่เราออกบวชนี้ไม่ได้มาความว่าเราได้ละความอยากในโลกกระทำแล้วเพียงแต่เราละด้วยความเห็นว่า การที่เราไปหาความสุขจากาลาภยศเสรสนุกนี้มันจะนำไปสู่ความทุกข์อย่างไม่รู้จักจบสิ้นเราก็ต้องการที่อยากจะหยุดเท่า น, นั้นเองความปรารถนาที่อยากจะหยุดและเห็นว่าวิธีที่จะทำให้เราหยุดได้ mm. ก็คือการไปอยู่เป็นนักบวช mm. ไปถือศีลของนักบวชแล้วก็ไปบาเพ็ญจิตธรรวนาทำใจให้สงบแล้วจเจริญปัญญาให้เห็นด้วยปัญญาว่า ความอยากในลาบยศสรรสริญสุขนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ทาให้ใจต้องทุกข์เพราะลาบยศเสรรสริญสุขต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปพอมันเสื่อมมันหมดก็จะทําทให้ใจทุกข์ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ยุ่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปอยากกับลาบยศเสรรสริญสุกพอเห็นด้วยปัญญาเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยาก จนกระทั่งความอยากในในกามาสุขในกามาความอยากคือกามาธนหาก็จะถูกสมาธิและปัญญากำจัดลงไป mm hmm. พอพอกามาันหาได้ถูกก า, าจัดไปแล้วใจก็สงบขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องอาศัยสมาธิก็ได้ mm hmm. เพราะก็ตัวที่ทำให้ใจวุ่นวายไม่สงบก็คือกามาธหานี่พอไม่มีกามาันหาขึ้นมา ใจก็สงบเหมือนกับขณะที่ได้อยู่ในสมาธิเลยไม่ต้องเข้าสมาธิก็สงบมีความสุขเหมือนกับอยู่ในสมาธิเมื่อเห็นว่าตอนนี้นมีความสุขแบบนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิไม่ต้องไปอาศัยสมาธิไม่ต้องไปอยากเข้าสมาธิเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้เข้าไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากเมื่อมามละความอยากที่เหลืออยู่คือความอยาก เข้าสมาธิได้เพราะเห็นว่าสมาธิก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนมีจเจริญมีเสื่อมได้เวลามันเสื่อมก็ทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์จากการไปติดสมาธิก็ต้องไม่ติดสมาธิไม่อยากเข้าสมาธิอยู่แบบไม่มีความอยากใจที่ไม่มีความอยากนี่แหละเป็นใจที่จะสงบอย่างธรรมชาติสงบแบบไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด ดีกว่าความสงบที่ได้จากสมาธินี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้นต้นก็ต้องสละลาชสมบัติสละการหาความสุขจากราชยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นล่นแล้วก็ไปบําเพ็ญไปอยู่แบบนักบวชไปถือศีลแปดขึ้นไปสําหรับ ผู้ที่ยังผู้ที่ยังไม่ได้บวชเราอยากจะปฏิบัติแบบนักบวชก็ให้ถือศีลแปดอย่างคารวาะญาติโยมบางท่านก็มีเวลาว่างหรือยังไม่สามารถที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ค่อยๆสละเป็นครั้งเป็นคราวไปเช่นมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆก็ไปปีกเวกไปอยู่แบบนักบวชสาวันบ้างห้าวันบ้างแล้วแต่โอกาสไปฝึกซ้อมไว้ก่อน เพราะว่าการที่จะไปอยู่แบบนักบวชแบบทันทีทันใดนี้ถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าพอถ้าศรัทธาถ้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาไม่แก่กล้าพอนี้จะไม่สามารถทำได้ทันทีทันใดต้องค่อยๆเสริมอินทรีย์คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นด้วยการไปปีกวิเวกเป็นพักๆก่อน ไป ห, หลบไปอยู่คนเดียวไปเจริญสมาธิปัญญาวิริยะสติก่อนจนกว่าจะมีกําลังมากจนถึงมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะไปอยู่แบบนักบวชได้และเห็นว่าการอยู่กับราบยศเสริญสุขอยู่กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็จะต้องนําไปสู่ความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง นี้มันเป็นของไม่เที่ยงมีวันเกิดแล้วก็ต้องมีวันตายกันจะต้องมีการพัดพากจากกันไม่ช้าก็เร็วเฉะนั้นสูบจากกันตอนนี้ดีกว่าจากกันตอนที่เรายังมีกำลังที่จะไปปฏิบัติเพื่อทำให้เราได้หลุดพ้นดีกว่าไปจากกันตอนที่เราไม่มีกำลังแล้ว <S 2> <S 2> แล้วก็ต้องมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติ เพื่อให้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการพัดภาคจากกันนี้มันดับไปได้เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเราไม่ได้ซ้อมกันไว้ก่อนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามันพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายของเรานั้นเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดา ร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นี่คือการเจริญปัญญาเพื่อให้เราจะได้มีกำลังที่จะได้ตัดความผูกพันของเรากับร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อช้าก็เร็วเราก็จะต้องจากไปนั้นเราจากกันตอนที่เรายังไม่ตายยศตอนที่เรายังสามารถไปปฏิบัติธรรมไม่ดีกว่าเลย อย่ามาจากตอนที่เราไม่สามารถไปแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์อะ ไ, <ป S 2> ไรวเวลาจากกันตอนนั้นก็จะมีแต่ความเศร้าส้อย ห, หงอยเงาความว้าเวห์นี่นเราต้องซ้อมไว้ก่อนถ้าเรายัางเป็นผู้ครองเรือนอยู่เป็นคาราวาส์อยู่เราก็ควรที่จะมีตารางมีเวลาว่าเราต้องไปปิีกวิเว้ไปเป็นนักบวชชั่วคราวก่อนไปเป็นอยู่สักสาวันห้าวันแล้วแต่โอกาสไปฝึกไปเจริญสติสมาธิ ไปเจริญวิริยะความเพียร<ม>ไปสร้างอินทรีย์าให้มันเป็นพละหขึ้นมาพิกอ<ม>ินทรีย์า<ม>คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้กลายเป็นพละหคือให้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ยังโลเลอ ย, อยู่ยังล้มนุกคุกคลานอยู่<ม>ก็ทําให้มันมีความตั้งมั่นมากขึ้น อินซีห้านี่ก็เป็นเหมือนกับเด็กเนี่ยเด็กท่เด็กที่กำลังหัดที่กำลังเจริญเติบโตกาลังล้มลุกคลุกคานอยู่เด็กก็พยายามที่จะฝึกหัดตนเองไปเรื่อยๆฝึกหัดยืนฝึกหัดเดินต่อไปก็ยืนได้เดินได้วิ่งได้ตามลำดับจิตใจก็เหมือนกันจิตใจของปุตรชนนี้ก็เป็นจิตใจที่มีอินรีที่อ่อนไม่แบบล้มลุกคลุกคลาน ต้องมาฝึกให้มันเป็นอินทรีย์ที่เป็นภาระขึ้นมาด้วยการไปเปรกวเวกไปอยู่ที่สงบแล้วก็ไปปฏิบัติไปถือศีลแปดไปรักษาศีลแปดแล้วก็ไปเจริญสติเนินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่อเจริญสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะต่างๆนจากหนังสือของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้า อันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญญาที่จะสามารถเอามาใช้ในการที่จะกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ความอยากทั้งหลายนี้มันสู้พละห้าไม่ได้ถ้าเราสร้างพละห้าขึ้นมาศรัทธามีความเชื่อมั่นในคำสั่งคำสอนของพระพุเจ้าร้อยเอร์เซนมีวิริยะมีความเพียรร้อยเอร์ซนมีสติร้อยเอร์เซ็นตมีสมาธิมีปัญญารอยเเซ็ต์ ถ้าเรามีขณะระดับนี้แล้วการบรรลุมรรคผลนิพพานคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานอย่างนี้ก็จะเป็นของที่ง่ายได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจากบพระโสดาบันก็ไปเป็นพระสกิราคาามีจากพระอนาคามีก็ไปเป็นพระอรหันต์ตามลําดับจนไปถึงขั้นพระนิพพานหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างสิ้นเชิง อยู่ที่ความเพียรพยายามของพวกเราที่จะศึกษาพระธรรมคําคสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ความเพียรพยายามที่เราจะปฏิบัติตามแบบที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติเพราะนี่คือทางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้ น, พนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ด้วยพระองค์เองมาแล้วว่าหลุดพ้นจากการอยู่ในวังไม่ได้หลุดพ้นจากการอยู่ท่ามกลางกองสุขไม่ได้ มันต้องหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทำกลางกองทุกข์เท่านั้นนั้นอย่าไปกลัวทุกข์ยากลําบากที่เกิดจากการที่เราจะต้องไปอยู่ที่ธุระกันดารอยู่ที่ อ, อดอยาขาดแคลนอันนี้แหละเป็นปุ๋ยที่จะส่งเสริมให้ธรรมะในใจของเราจเจริญงอกงามขึ้นมายินรีให้กลายเป็นพละห้าขึ้นมาคือความทั้งทุกข์ยากลํำบากไม่ใช่ความสุขความสบาย คนที่อยู่ที่กับสุขสบายนี้มันเหมือนกับได้ยาพิษไม่ได้ไม่ได้ป่วยมันจะทําให้จิตใจไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆนั่นเองอั น, อนนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนและได้ทรงปฏิบัติถ้าเราอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดดืดความอยากทั้งสามเราก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนานะ เราก็ทําไปตามกําลังของเราจากน้อยไปหามากทำมะทำทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปแล้วก็เพิ่มให้มันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะสามารถทําได้อย่างเต็มร้อยพอเราทําได้อย่างเต็มร้อยแล้วการดุดพน้นจากกองทุกข์ก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทําด้วยกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นผู้ครองเรือหรือเป็นนักบวช ไม่สำคัญสถานภาพหรือเพศนี้ไม่เป็นไม่เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะบรรลุหรือไม่บรรลุสถานภาพเหล่านี้มันไม่ไม่เกี่ยวกันใครๆก็สามารถบรรลุได้ถ้าสามารถปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนได้คือมีสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในในทางที่ในทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นที่นั่นก็คือการปฏิบัติทานสิงภาวนานี้เอง อันนั้นขอให้พวกเราอย่าอย่าถูกกิเลสหลอกว่าเราไปไม่ได้เพราะเราเป็นค า, า, ารวาสเราเป็นผู้หญิงอันนี้มันเป็นกล ข, ของกิเลสที่จะหลอกไม่ให้เราได้ไปหลุดพ้นกันมันอยากจะให้เราติดอยู่ในกองทุกข์เป็นเพื่อนมันไปตลอดนั่นเองดัง น, นั้นนี่คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเบวาหาปูราภิริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปติยิช an ิตังปฏิตังต um ุมหังคิะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังตปา จันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจจังุทธาปจายิโน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 ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเทปทาง YouTube วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่คะวันนี้มีผู้ติดตามทาง f a c e b o o ห้าร้อยห้าสิบสี่ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สามร้อยเก้าท่าน y o u t u ดรวีเก้าสิบห้าท่านวิทยุออนไลน์เจดคับเฮาส์หกหน้ากุฏิหนึ่งร้อยเก้าสิบสามรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบสี่ค่ะ มีคําถามจากทางหน้าขุดค่ะกลับนามัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ทําภายในก็ ใ, น ใ, นใจของเราเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาในใจของเรา เวลาเห็นคนอื่นเขาโกรธเห็นคนอื่นเขาโลภ ก, ก็เห็นภายนอกแตมันก็ทำมันเดียวกันคือความโลภโกรธหลงเห็นแล้วเราก็ควรลังับจากทางหน้ากูดค่ะกับเรียนถามว่าการทำบุญกุศลต่างๆแม้จะเป็นกุศลแต่จะนับเนื่องเป็นอริยสัพพายายนนซึ่งจะลบล้างวิบากกรรมได้หรือไม่ครับ ไม่ได้หล้วกรรมที่ทําไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วมันก็ยังอยู่ของมันแล้วมันก็จะหมดไปเมื่อมันหลังจากที่มันได้ส่งผลแล้วไม่มีใครไปลบล้างมันได้นอกจากว่าไปนิพพานเท่านั้นเองถ้าไปนิพพานมันก็ไม่สามารถส่งผลให้กับใจดวงนั้นได้ต่อไปเพราะใจดวงนั้นไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป จากคุณนิชพลค่ะโยมอยากถามพระอาจารย์โยมได้ยินแม่ครูสอนว่าจงทา ม, มาคู่ให้แข็งแรงอิน n ีห้าพละห้าต้องวิ่งคู่กันโยมยังไม่แจ้งแทงใจน้อมกัดขอคำอธิบายจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะก็อ NC กับพละนี่ก็เป็นอันเดียวกันต่างกันตรงที่มีกำลังมากกำลังน้อยหรือเด็กกับผู้ใหญ่ ถ้าเป็นอินทีย์ก็เป็นเด็กเช่นศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเด็กส่วนถ้าเป็นภราะะก็เป็นศรัท ธ, ธาสติสมาธิปัญญาของผู้ใหญ่ยามมีกำลังมากกว่ายามสามารถนำมาไปทำให้เกิดประโยชน์โดยใช้ในการปราบกิเลสตัณหาได้ไ ด, ได้ได้ดีกว่าจากคุณศรัท ธ, ธาค่ะ ค้พเจ้าขอถามการให้ทานกับสรรพสัตว์ทั้งหลายกับการให้ทานกับมนุษย์ผู้ตกยากทั้งหลายกุศลผลบุญนี้เท่ากันหรือไม่ครับเรื่องนี้ที่เกียจตอบไม่รู้ตอบเมื่อ ก, กี่คนแต้องมาอธิบายว่ามันมีสองอย่างแต่เวลาเราทําบุญนี้เราได้กุศลสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือการเสียสละเช่นเราเสียสละเงินร้อยบาทใช้บา้านหรือ ไปปล่อยนกปล่อยปลาร้อยบาทบุญนี้ที่เกิดจากการเสียสละนี้ได้เท่ากันแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยนี้ต่างกันถ้าเราไปทำบุญกับพระผู้ทรงศีลท่านก็จะสอนศีลให้กับเราถ้าเราทำบุญกับพระที่มีสมาธิท่านก็จะสอนวิธีนั่งสมาธิให้กับเราอันนี้ต่างกันเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะได้รับสิ่งที่จากบุคคลเราก็ต้องเลือกบุคคลถ้าเราไม่ต้องการรับอะไรจากบุคคลเราต้องการจะทําทใจให้เราสบายด้วยการเสียสละแล้วก็ทํากับใครก็ได้ที่เราทำํำนัดสบายใจบางคนสบายใจทํากับสัตว์เขาก็ทํากับสัตว์บางคนสบายใจทำกั บ, ก, ก, บ, บ, บ, ก, บกับพระเขาก็ทํากับพระอันนี้ก็จะได้ความรู้สึกเท่ากันความสุขใจสบายใจเท่ากัน จากคุณปิ่นแก้วค่ะถ้าถ้าเรากำลังจะทำสิ่งใดลงไปก่อนเราจะลงมือทำสิ่งนั้นถ้าคนมีปัญญาจะสามารถแยกออกได้เลยใช่ไหมเจ้าคะว่าสิ่งที่กำลังจะทำถูกหรือผิดหรือกำอาจบดบังทำให้ให้ไม่รู้ค่ะ อ, อ๋อถ้ามีปัญญามันก็จะรู้ล่ะมันก็จะเห็นเช่นจะไปทําบาปมันก็รู้แล้วบาป ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้บามันก็ทำไปเพราะไม่เพราะคิดว่ามันไม่บาออจากคุณธนกิตค่ะทางยูทู u ด็อกตอร์วีค่ะคารวาที่สนใจเรื่องธรรมะแต่ไปศรัทธากับคำสอนของผู้ที่ไม่ได้บรรลุความจริงมาสอนแล้วก็ไปปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องเหมือนที่พระอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องคนตามบอดคลำช้างอันนี้ถือเป็นกรรมของเขาหรือไม่ครับ ก็เป็นความไม่ฉลาดของเขาที่ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าคนสอนนี้สอนถูกก็สอนผิดยังควรจะไปหาแหล่งที่ถูกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราไม่มั่นใจว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าเราก็ไปที่พระไตรปิฎกแทนไปศึกษาจากพระสูตรอนนี้ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ธรรมจักรก็ดีมงค ล, ละสูตรก็ดีเนี่ยหนังสือที่พิมพ์มาให้ญาติโยมไปอ่านนะเป็นเรื่อะไรนะเบญจเบญจสูตรเ็นจางคสูตรมีพระสูตรทาห้าพระสูตรสำคัญสําคัญที่ผู้ศึกษาคนจะศึกษาไว้เป็นมาตรฐานไว้เวลาที่เราไปศึกษากับพระรูปอื่นอาจารย์คนอื่นจะได้รู้ว่าท่านสอนตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนหรือไม่ขาดกันหรือไม่ ถ้าเราไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องวัดเราก็อาจจะไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ที่เราไปศึกษาด้วยนั้นท่านรู้จริงหรือไม่รู้จริงท่านสอนถูกหรือผิดเราจะไม่รู้ได้ฉะนั้นเบื้องต้นควรจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนศึกษามงคลละสูตรธรรมจกักรปปวัตตนสูตรสติปัฏฐานสูตรเนี่ยสามประสูตินี้ก็จะได้ได้ได้ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติให้หลุดพ้นได้อย่าง ชัดเจนแล้วใครมาสอนอะไรที่มันแปลจากอันนี้เราก็จะได้พันธงลงไปเลยว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางอันนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีครับก <c oughs> ารที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องได้เราต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อน <c oughs> ก็ต้องไปศึกษาจากคนที่เขาหลุดพ้นแล้วจากความทุกข์คนที่หลุดพ้นแน่นอนก็คือ พระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ท่านก็มีพระธาตุเนี่ยท่านตายไปแล้วร่างกายของท่านก็กายเป็นพระธาตุบางส่วนพระอรหันตสาวกก็เช่นเดียวกันอาจารย์ที่ท่านตายไปแล้วอัฐิของท่านก็บางส่วนก็กลายเป็นพระธาตุนี่เป็นแสดงว่าท่านเป็นพระอรหันต้าท่านมีคําสอนบันทึกไว้เป็นหนังสือหรือเป็นอะไรที่เราสามารถศึกษาได้ก็ศึกษาจากท่านเหล่านั้น เราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะทำให้เราไม่หลงทางไม่ปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะได้จะได้ผลอย่างแน่นอนมีคำถามจากคุณทีทีคาธนาจาก a c e b o o k ค่ะมีทุกขเวทนาจากการเจ็บป่วยทำอย่างไรถึงจะข้ามจากถูกได้ถาวรเจ้าคะก็ปล่อยมันเจ็บไปสิเราทำอะไรมันไม่ได้มันเหมือนฝนตกแดดออกเราไปห้ามมันได้เปล่า มันจะตกแดดจออกจะสั่งให้ใหยเ้อย่าอย่าตกอย่าตกอย่าออกยออกยออกิ่งไปสั่งไม่ได้มันก็เครียดขึ้นมาเนี่ยงั้นก็ต้องปล่อยให้มันตกไปปล่อยให้มันออกไปร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่กิเลสของเรามันไม่ยอมเจ็บยมันอยากจะให้หายเราต้องมาหยุดตัวความอยากนี้ด้วยการใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธฝึกบริกรรมพุทโธพุทโธทําใจให้นิ่งเป็นอุเบกขา แล้วใจก็จะเฉยกับความเจ็บของร่างกายได้นัน่นี่ทำไมถึงการมาฝึกสติฝึกสมาธิจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นธรรมโอสดเป็นยารักษาโรคทางใจเลวลาร่างกายป่วยแล้วใจจะป่วยด้วยใจจะเครียดใจจะทุกข์เพราะเกิดความอยากเชื้อโรคของใจที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากอยากไม่เจ็บ อ, อยากให้หายเจ็บ อ, อยากไม่ตายอย่างนี้ มันจะสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กับใจมากแต่ถ้าเรามีธรรมโอสถมีสติมีปัญญาสติก็คือสามารถควบคุมใจให้นิ่งเฉยได้ไม่ให้เกิดความอยาก uh huh. แล้วก็มีปัญญาสอนใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่า ง, ง uh huh. มันมีเจริญต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา uh huh. แล้วสอนใจให้ยอมรับอย่าไปฝืนอย่าไปอยาก ท้งนนะ่ะพอใจหยุดความอยากได้ใจก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจากคุณการดาค่ะกลับนมัส ก, การค่ะถามว่าที่หลวงพ่อกล่าวถึงวิริยาห้าให้ปฏิบัติโดยไม่มีความอยากเข้าใจครับแต่ในลำดับห้าเรื่องปัญญาที่จะถึงการพ้นทุกนั้น ถ้าไม่อยากไม่มีจุดประสงค์เพื่อจะพ้นทุกนั้นก็จะไปไม่ถึงขอให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายปัญญาเพิ่มครับไม่เข้าใจปัญญาความหมายของมัเดี๋ยวขออ่านอีกรอบนะคะเฉพาะทางปัญญาได้ค่ะเขาบอกว่าเรื่องปัญญาที่จะถึงการพ้นทุกนั้นถ้าไม่อยากไม่มีจุดประสงค์เพื่อพ้นทุกก็จะไปไม่ถึงเจ้าค่ะ อ๋การอยากจะพ้นทุกข์นี้เป็นเป็นปัญญาต้องมีความอยากมันถึงจะไปได้ถ้าคนเราไม่มีไม่อยากพ้นทุกข์มันก็ไม่ไปปฏิบัติมันก็ไม่ไปศึกษาไปเรียนให้เกิดปัญญาวิธีการดับทุกข์แต่ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็ต้องไปศึกษาทางปัญญาให้รู้วิธีการดับทุกข์ว่าดับได้อย่างไรเฉะนั้นความอยากมันมีทั้งความอยากที่ทําให้เกิดทุกข์กับความอยากที่ทําให้พ้นทุกข์ความอยากที่ทําให้พ้นทุกข์ก็คือความอยากที่จะปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาความอยากอย่างนี้เป็นความอยากที่ต้องมีถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ตรง น, นี้อย่างนี้มีจะพอถ้าความอยากที่จะไปพ้นทุกข์ด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี้อันนี้เป็นความอยากที่ผิดเพราะมันจะพ้นทุกข์แบบชั่วคราวเวลาเราไม่สบายใจเราไปเที่ยวกันเราก็ลืมความทุกข์ไปชั่วคราว <S <S พอกลับมาจากเที่ยวเราก็มาเจอความทุกข์อันเดิม ความทุกข์มันไม่หายไปอันนี้เป็นความอยากที่เป็นเป็นทุกข์อย่าไปทําอย่าไปดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดับมันมันดับไม่ได้พระเจ้าท่านบอกนี่เป็นทางสุดตรงมันไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางต้องดับด้วยศีลสมาธิปัญญาพยายามพยายามรักษาศีลพยายามไปฝึกสมาธิพยายามเจริญปัญญา ศึกษาฟังเทศฟังธรรมสนธนาธรรมต่างๆไปเราจะค่อยๆเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการที่เราจะมาใช้ในการที่จะดับความทุกข์คือหยุดต้นเหตุของความทุกข์นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันไม่มีใครทำให้เราได้อัตตาหิอัตโนนาทโถพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นเพียงเป็นผู้บอกทางวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่ท่านบอกเราก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เ<ม>บื้องต้นเราก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนก่อนเพราะเราไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องอาศัยคนที่รู้<ม>คนที่รู้ดีที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>เราก็ไปศึกษาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณนะคำว่าสารณะนี้หมายถึงเป็นที่พึ่งทางปัญญา เป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นครูเป็นอาจารย์พ อ, อได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านเราก็จะได้ความรู้ขึ้นมาแล้ววิธีการดับทุกข์ดับอย่างไรสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดจากอะไรเราต้องไปหยุดที่อะไรก็ต้องหยุดที่เหตุที่ทำให้เราทุกข์เหมือนไฟเวลาไฟมันไหม้ถ้าเราเชื้อไฟออกไปมันก็ไฟมันก็หยุดถ้าเติมเชื้อไฟ้าไปไฟมันก็จะติมันก็จะลุกขึ้นอยู่เรื่อย เชือของความทุกข์ก็คือความอยากถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจหายไปก็ต้องเอาเอาเชื้อของความทุกข์ออกออกจากใจก็คือความอยากพอหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากความทุกข์ใจก็จะหายไปมีคำถามจากทาง Youtube ค่ะ ปัญญาระดับพระโสดาบันขึ้นไปจะไม่เชื่อและไม่งมงายเรื่องมงคลตื่นข่าวต่างๆแต่จะเชื่อพระรัตนตรัยเชื่อกฎแห่งกรรมถูกต้องไหมคะถูกต้องถูกต้องไ ม, มอไม่มีแล้วคะไม่ไมีแล้วเลยไม่มีแล้วก็มีใครอยากจะถามอีกไหมอยากเข้ามาถามหลังจากที่เราเลิกกันนะตอนนี้เป็นช่วงนี้ถามได้แต่ถ้าจะมาถามเป็นการหลังมานี่จะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยเพราะว่า